สอนตนเองให้ได้ก่อนจึงค่อยสอนผู้อื่นเลี่ยงไม่ได้จึงเทศความสมหวังในชีวิตการบวชของหลวงตาเป็นผลจากความจริงจังของท่านที่มุ่งฝึกสอนแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นมาให้ได้ก่อน ในเรื่องการเทศสอนผู้อื่นนั้นท่านไม่ถือเป็นอารมณ์หรือไม่สนใจเลยก็ว่าได้ผลแห่งการปฏิบัติจึงเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นลำดับไปหากจะมีการเทศอยู่บ้างก็เป็นเพียงบางครั้งบางคราวเท่านั้นด้วยความจำเป็นลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ที่ต้องได้เทศตอนหนึ่งว่า วดดูเหมือนจะเป็นพรรษาที่สองนะพอออกพรรษาแล้วพวกญาติโยมเขามานิมนต์ไปทำบุญที่ลานข้าวเขาอันนี้ท่านพระครูให้เราเป็นหัวหน้าไปสวดมนต์เราก็ได้นังสือพกเล่มหนึ่งเวลาจำเป็นก็จะเอาอันนี้เทศว่างั้นพอฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็นิมนต์เทศ เราก็เอาหนังสือนี้มาอ่านพอรอดตัวไปได้จบแล้วสักเดียวตามหลังกันมาอีกคณะหนึ่งเขามาขอฟังเทศเขาว่าจะยากอะไรท่านฉันเสร็จแล้วนี่ท่านก็เทศให้ฟังได้แต่เรามันแค้นเสร็จแล้วหัวอกมันคับแล้วจะเอาอะไรมาเทศล่ะทีนี้มันไม่มีอะไรแล้วกูตายนี่ พอหลังจากนั้นแล้วเขาก็นิมนต์ให้เทศทีนี้มันก็อยู่กับหัวหน้าจะให้เขาเทศมันก็ไม่ได้นี่นาตกลงก็ต้องเป็นเราเทศโถหนาวหนานี่แต่ก็เงือแตกหมดเลยนะแต่มันก็ไปได้นะก็แปลกอยู่เวลาจนตรอกมันไปได้นะเทศไปได้นี่นะแต่ว่าอกนี้จะแตกมันก็พอบืนรอดตัวไปได้ว่านั้นเถอะนะ พอกลับมามูเพื่อนมาพูดแย่แล้วทีนี้โอ้เทศดีนะเราเลยว่าอย่ามาพูดนะกำลังโมโหนะยังไม่อยากตายอย่ามาพูดนะท่านเล่าพลางหัวเ ร, ราะปร่างด้วยขบขันตนเองในระยะแรกๆของการบวชจากนั้นพอกลับมาถึงวัดท่านก็เอากันเทศท่านเจ้าคุณอุบาลี มาท่องใหญ่เลยเลือกดูว่ากันไหนเหมาบก็เอาอันนั้นมาท่องจนคล่องเหมือนปาจิโมกเลยท่านคิดในใจว่าคราวนี้ไม่ตายแล้วถ้าเผื่อมีเหตุจำเป็นต้องได้เทศที่ไหนอีกก็จะเอากันที่อุตสาท่องจนขึ้นใจนี้ออกเทศเลย แต่การกลับเป็นว่านับแต่นั้นมาท่านกลับไม่เคยได้เทศในลักษณะนั้นอีกเลยจนบัดนี้ผล น, นั้นเป็นหนหนึ่งที่ประทับใจท่านไม่เคยลืมท่านให้เหตุผลว่าเพราะเป็นการเทศแบบจนตรอกจริงๆไม่มีทางไปเลยแต่ก็ต้องบืนเอาเอาตายสู้เลยจากนั้นมาก็พอเทศได้ธรรมดา ไม่อัานตู้เหมือนตอนนั้นเพราะเรียนหนังสือไปด้วยจะมีเทศบ้างก็ยามจำเป็นจริงๆหากไม่จำเป็นไม่เทศ เมื่อเรียนจบมหาป ร, ริญญาแล้วออกปฏิบัติท่านเล่าว่าเคยต้องได้เทศด้วยความจำเป็นเช่นกันดังนี้พอออกปฏิบัติแล้วทีนี้มันก็เป็นมหาแล้วละ่ะการเทศนาว่าการ ก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ไม่เคยสนใจกับการเทศให้ใครฟังนอกจากเทศสอนเจ้าของอย่างเดียวแต่ก็หากมีที่จําเป็นจนได้นั่นแหละบางทีไปก็ไปพักอยู่บ้านใดบ้านหนึ่งเขามีงานในบ้านของเขาเขาต้องมานิมนต์เราไปเทศเราบอกว่าเทศไม่เป็นเขาไม่ยอมเชื่อเลยเขาว่าเป็นมหาแล้วโอ้ย อย่าว่าเลยว่าเทศไม่เป็นเขาว่านันเนี่ยมหาก็ฆ่าตัวเองได้เหมือนกันนะเขาไม่ยอมเชื่อเลยลงเป็นมหาแล้วเทศไม่เป็นไม่มีเขาว่าเลยอันนั้นก็ไปเทศเวลาจำเป็นจริงๆหากมีเป็นบางแห่งบางแห่งเขาก็ิมโหนเรามาเทศมันก็จำเป็นต้องได้มานานๆที นอกนั้นไม่เอาไหนละ่ะไม่เทศนะเทศสอนใครไม่เทศเลยนะจากเรียนมาเข้าด้านปฏิบัติแล้วยิ่งไม่สนใจเลยนอกจากจําเป็นอย่างที่ว่านี้เราก็เทศให้ฟังเสียบ้างเท่านั้นนอกนั้นไม่เอาเลยไม่เอาเลยจากนั้นมามันก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนกับฝูงกับประชาชนญาติโยม ก็ต้องได้เทพไปเรื่อยละ่ะเรื่อยมาจนกระทั่งป่านนี้เทศสอนเรานี่มันยากนะเทศสอนเรานี่มันเอาจริงเอาจังทุกอย่างมัดกันทุกแง่ทุกมุมจึงเรียกว่าสอนละสิเทศสอนประชาชนเขาจะเก็บได้หนักเบามากน้อยมันก็เป็นกำลังของเขาแต่เทศสอนตัวเองนี้มันเอาจริงเอาจังทุกอย่าง ว่าอย่างไรต้องอย่างนั้นนะบังคับเลยนะเรียกว่าสอนตัวเองบีบกันตลอดเลยนี่ละ่ะมันยากกว่าสอนประชาชนนะหนักมากอยู่นะเพราะสอนเพื่อเอาจริญเอาจังไม่ได้สอนสักแต่ว่าฟังไปผู้สอนก็สอนธรรมดาผู้ฟังก็แล้วแต่จะได้มากน้อยเพียงไรแต่เวลาเราสอนเรา เราสอนจริงจงจังๆไม่ปล่อยไม่วางมัดกันตลอดเวลา เพื่อกำลังใจหลังจากผ่านเหตุการณ์ในยามดึกของคืนฟ้าดินทลม่มบนวัดดอยธรรมเจดีแล้วรุ่งเช้าวันแรมส5ห้าค่ำเดือนหกท่านก็ลงจากวัดดอยธรรมเจดีมาถึงวัดป่าสุทาวาส ด, ด้วยความเมตตา ต่อพระที่ติดสอยห้อยตามท่านมาเป็นเวลานานอีกทางระยะที่ท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผือในตอนนั้นพระท่านนี้ยังเป็นสา ม, มาเณรอยู่และเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งอดทนและใส่ใจต่อหน้าที่การงานดีทำให้ท่านคิดสงสารว่า หากมีโอกาสได้ฟังธรรมอัศจรรย์ครั้งนี้จะเป็นกำลังใจให้ขันแข็งในการบำเพ็ญเพียรยิ่งขึ้นและจะเป็นที่แน่ใจตายใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีจริงด้วยเมตตาดังกล่าวนี้ท่านจึงเล่าให้ฟังว่านี่ จะเล่าอันหนึ่งให้ฟังนะท่านเคยติดสอยห้อยตามผมมาเป็นเวลานานแล้วแล้วคำที่ผมจะพูดเวลานี้ท่านเคยได้ยินได้ฟังใหม่จากนั้นท่านก็เล่าเรื่องบนวัดดอยธรรมเจดีในคืนสิบห้าคำให้ฟังจนจบแล้วท่านพูดขึ้นว่า พอฟังแล้วเป็นยังไงคำนี้ท่านเคยอยู่กับผมมาเป็นเวลานานเคยได้ยินใหม่ผมเคยพูดให้ฟังใหม่พระผู้นั้นตอบด้วยความตื่นเต้นปิติในใจเป็นล้นพ้นว่าโหกระผมไม่เคยฟังอย่างนี้มาก่อนเลยจากนั้นท่านเมตตาสอนต่อไปว่านั่นละ่ะ ให้ตั้งใจหนาอย่างนี้แหละ ร, รมพระพุทธเจ้าเป็นอาการโกมีเป็นพื้นฐานประํำตลอดเวลาเป็นปัจจุบันเอาให้จริงนะนี่ได้เห็นเสร็จแล้วหายสงสัยทุกอย่างหายสงสัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หายหมดเลยเป็นอันเดียวกันหมดแล้วเราว่าอย่างนี้ เราไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนตรงไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงไหนจิตกับธรรมนี้เป็นอันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วไม่แยกไม่มีแยกเป็นอันเดียวกันต่อมาภายหลังพระอาจารย์ผู้ฟังธรรมจากท่าน กล่าวถึงความรู้สึกในขณะฟังธรรมครั้งสำคัญนั้นว่าตั้งใจรับฟังด้วยความเคารพอย่างสูงสุดถึงแม้ว่าในระยะนั้นจะยังไม่เข้าใจในอัธธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดละออได้ตลอดก็ตามทีแต่ก็ได้เก็บคำสอนที่ออกมาจากเมตตาธรรมของท่านไว้เป็นข้อระลึก และเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญสมณธรรมอย่างมิรู้ลืมตลอดมา เห็นแก่หัวใจท่านไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของใครเพราะอุปนิสัยของท่านชอบที่จะอยู่คนเดียวตลอดมาดังคำประรบของท่านกับพระเนนดังนี้ จังหวะที่หลวงปุ่มั่นมรณภาพผาศพท่านแล้วเป็นจังหวะที่หมูเพื่อนขาดที่พึ่งเกาะพึกเลยตั้งแต่บัด น, นั้นมาจนกระทั่งบัด น, นี้หลบหลีกปีกกตัวหนีไปอยู่ในป่าในเขาลูกไหนลูกไหนก็ตามขโมยนี้สุดยอดคำว่าขโมยจากหมูเพื่อนนี้คำว่าสุดยอดคือยังไง กลางคืนเงียบเงียบดึกๆก็ไปเพราะหมู่เพื่อนไปรุมนี่เรารำคาญเราไม่อยากอยู่ทีนี้พอเงียบเงียบก็เดินดูเห็นหมู่เพื่อนบางองค์เดินจงกรมบางองค์นั่งสมาธินี่เรียกว่าไปดูลาดเราเราเตรียมของไวร้รยบร้อยแล้วพอมาปับ๊บหนีหมู่เพื่อนออกทางนี้นะสพายบาดหนีกลางคืน เงียบไปเลยพอตื่นเช้ามาหมูเพื่อนยุ่งไปหมดเลยเหมือนฟ้าดินถล่มละไปแล้วไม่ทราบไปทางไหนละหายเงียบพอประมาณสักสองอาทิตย์นะเพราะพวกนี้เก่งนี่นะจะหมูกพระนี่ติดตามได้ถึงเขาลูกไหนถ้ำไหนตามถึงหมดตามจนกระทั่ง ไม่ว่าจะไปอยู่ป่าไหนเขาลูกไหนถ้ำไหนรู้หมดเลยโอ้เราจึงว่าให้จมูกหมานี้สู้จมูกพระไม่ได้นะเราว่าถึงอย่างนี้ว่าขนาดไหนก็เฉยขอให้ได้อยู่ด้วยก็เอาอย่างนั้นแ่ละนะว่าขนาดไหนก็เฉยเหมือนไม่มีหูมีตาไม่มีจิตมีใจนะเฉย คือหมายความวา่าเราได้ที่แล้วจะว่ายังไงก็เถอะทีนี้เอาอีกนะพอเพลอเอาอีกบางทีกลางวันแสกๆหมู่เพื่อนเดินจงกรมอยู่ในเขาในป่านี่วะไปเดินฉากนู้นฉากนี้ดูเราเตรียมของไว้แล้วไปเดินดูนั้นดูนี้เห็นองนั้นเดินจงกรมอยู่บ้างองนี้นั่งสมาธิอยู่บ้าง ไปเอาของที่เตรียมออกทางนี้เลยทางที่ไม่มีใครนี่ไปเลยไปเลยอยู่อย่างนั้นไม่ทราบว่ากี่ครั้งกี่หนสุดท้ายมันก็พ้นไปไม่ได้นะ ทนเพื่อผู้มุ่งทมต่อมาเมื่อมีพระเนรติดตามขอรับคำแนะนำสั่งสอนจากท่านมากขึ้นมากขึ้นทุกทีด้วยความเห็นใจว่าท่านเอง ก็เคยส่ะแสวงหาครูบาอาจารย์เช่นนี้มาก่อนเหตุนี้ทาให้ท่านยอมรับภาระเทศสอนในที่สุดผมไม่ได้เคยคิดว่าได้เป็นครูเป็นอาจารย์ใครทั้งนั้นแหละเพราะนิสัยไม่มีทางนั้นมีแต่จะเอาจะเอาเรื่องของเจ้าของโดยเฉพาะโดยเฉพาะเหมือนไม่เคยที่จะไปสนใจไปสอนผู้ใดเลย เวลาปฏิบัติก็มุ่งต่ออัดต่อทมอย่างเดียวทีนี้เวลาพอลืมหูลืมตาได้บ้างมันก็ไม่สนใจที่จะสอนใครเสียอยู่อย่างนี้สบายดีว่างงเพราะฉะนั้นเวลาหมู่เพื่อนรุมไปกับผมผมจึงขโมยหนีเรื่อยน่ะสิอยู่คนเดียวสบายดีสบายดีไม่มีอะไรมากวน สบายดีสบายดีมันเป็นอย่างนั้นทีน่นี้มันมากต่อมากรุมเข้ารุมเข้าก็เลยเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่แต่ไม่ได้เป็นกับนิสัยของเจ้าของนะก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะเห็นหัวใจแต่ละดวงแต่ละดวงนี้มีคุณค่าคิดถึงเรื่องเราเวลาเสือคลาน เกิดขึ้นมาเจอพ่อเจอแม่อยู่แล้วครูอาจารย์เราได้วิ่งหาแทบล้มแทบตายไปที่ไหนมันก็ไม่เหมาะเจาะในหัวใจมันก็ต้องผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งไปถึงที่เหมาะเจาะแล้วมันก็ถึงทุ่มกันลงหมู่เพื่อนสแสวงหาครูบาอาจารย์ก็คงเป็นอย่างเดียวกันนี้นี่แหละเอามาบวก มาลบคูณหารกันดูแล้วเราทนอยู่ด้วยเหตุนี้นะเราก็ทนเพื่อหมู่เพื่ อ, เอนเพราะหัวใจอยู่กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้นด้วยความเมตตาสงสารเพราะการดำเนินทางด้านจิตนี้เราเห็นโทษมาพอแล้วสหรับเราเองเราเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำ จากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้แหละมาพิจารณาเทียบเคียงถึงเรื่องหมู่เพื่อนทั้งหลายจึงทนนี่นะผมทนเอาเฉยๆถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยหมายถึงความชอบใจนะเราไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากๆนี่นะนิสัยของเราเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว เรื่องความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาอย่างนั้นจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วหมู่เพื่อนรุมเกาะเรานี่สิ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 ให้พากันจำไว้ให้ดีผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอให้เห็นใจรับไว้แต่ละองค์แต่ละองค์นี้ผมรับไว้จริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอียดทีท้วนทุกอย่าง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 ไถิ่นไหนร่มเย็นถิ่นนั้นบ้านหนองผือนานไนจังหวัดสกลนครในครั้งนั้นหลวงตาพักอยู่วัดป่าสุทาวาธเพียงสองสามคืน จากนั <de leg ante> e ้นก so, <c oughs> so ็ไปทางภูเขาแถบอำเภอวาริชภูมิเดิมทีคิดจะจำรรษาที่นั่นแต่เมื่อทราบข่าวจากโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดนองผือและเพิ่งจะไปเยี่ยมบ้านนองผือมาแกเล่าว่าเข้าไปวัดนองผือ มีแต่พระหลวงตาสองสามองค์อยู่ที่นั่นไปเห็นแล้วรู้สึกสลดสังเวชเพราะแต่ก่อนเคยเป็นตลาดพระยัวเยียโยเยดเต็มไปหมดในวัดในว่าแต่ไปคราวนี้กลับไม่ค่อยมีพระดูเหมือนกับเป็นมัดร้างไปเห็นแล้วสลดสังเวชเหลือเกินเมื่อแกมาเล่าให้ท่านฟัง ท่านก็รู้สึกสลดใจอย่างมากท่านให้เหตุผลว่าวัดหนองผือเป็นวัดที่ท่านอาจารย์มั่นจำพรรษาในวาระสุดท้ายของชีวิตและบ้านหนองผือเอง ก็เป็นบ้านที่มีบุญมีคุณต่อพระกรรมฐานมากมายพระเนรมาเท่าไรเท่าไหร่สามารถเลี้ยงพระได้ทั่วถึงหมดทั้งๆที่มีบ้านเพียงเจ็ดสิบหลังคาเรือนเท่านั้นบัดนี้จะกลายเป็นวัด ร, ร้างเหมือนไม่มีใครเหลียวแลคล้ายกับว่าบ้านนี้เป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วมันสมควรแล้วหรอ ดูมันเกินเหตุเกินผลไปด้วยเหตุนี้เองท่านเลยตัดสินใจย้อนกลับมาจำพรรษาที่นี่อีกทั้งๆ ท, ที่เหลือเวลาเพียงแค่เจ็ดวันก็จะถึงวันเข้าพรรษาอยู่แล้วบรดาพระเนร หวังพึ่งหวังได้รับคำแนะนำรับข้ออัดข้อธรรมข้อวัดปฏิบัติจากท่านกนเลยต่างย้อนกลับมาจําพรรษาที่นี่ด้วยกันเลยกลายเป็นว่าในพรรษานั้นกลับมีพระเนนอยู่ด้วยกันถึง28องค์เป็นที่อบอุ่นเย็นใจแกชาวบ้านหนองผือเหมือนเช่นเดิม